ว่าด้วยเรื่องอนุสัยเจ็ดอนุสัยเจ็ดก็คือหนึ่งกามราคสองปฏิฆะสามทิพติสี่อวิติกิจฉาห้ามานะหกภวะราคเจ็ดอวิชาประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษา และท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มาทำความเข้าใจกับคำว่าอนุัยเสียก่อนคำว่าอนุัยแปลว่านอนเนื่องอยู่ในจิตใจพูดง่ายๆก็คือว่านอนนิ่งอยู่ในจิตใจได้แก่กิเลสอย่างละเอียดอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานบางที่ก็ไม่ปรากฏ ต่อเมื่อมีอารมณ์มายั่วยวนจึงเกิดขึ้นท่านจำแนกออกเป็นเจ็ดอย่างคืนหนึ่งกามราคะได้แก่ความกำหนัดหมกมุ่นอันมีราคะเป็นมูลลักษณะอย่างนี้ถ้าเข้าตกคลุมครอบงำดวงจิตของผู้ใดก็ทำดวงจิตของผู้นั้นให้มืดมัวให้มืดมิดไม่สดใสไม่สว่าง มีแต่จะทาให้เห็นผิดให้เห็นชอบชั่วดีได้โดยชัดเจนเปรียบเหมือนน้ำที่เจือไปด้วยสีต่างๆย่อมไม่ผ่องใสพอที่จะให้ส่องเห็นเงาหน้าได้กิเลชนิดนี้เป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเมื่อมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามายั่วยวนแล้วกิเลชนิดนี้ก็เกิดขึ้นทำให้กำหนัดรักใคร่ยินดีเข้าทันที ฉะนั้นกิเลสชนิดนี้จึงเรียกว่ากามาราคะพูดง่ายๆก็คือว่ า, าความกำหนัดนความกำหนัดกำหนัดในอะไรก็คือกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสหรือถูกต้องต่างๆเมื่อเรากำหนัดแล้ว เรามีความผดใจเรามีความยินดีเราก็สแสวงหาสแสวงหารูปสแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นสแสวงหารสนี่สแสวงหาการสัมผัสถูกต้องมันก็เป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์เป็นบอกเกิดแห่งความเดือดร้อนยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีความกำหนัดหมกมุ่นอยู่ในราคะเป็นมูล ก็ดวงจิตของผู้นั้นจะไม่ผ่องใสเนจะไม่ผ่องใสจะมีความเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลามาในข้อที่สองปฏิฆะได้แก่ความหมงุดหงิดกล่าวโดยความก็ได้แก่ตัวโทสะคือเมื่อกิเลสชนิดนี้เกิดขึ้นในดวงจิตของผู้ใด ก็ยย่อมทําผู้นั้นให้ฟุ้งร้านไปต่างๆเป็นต้นว่าคิดมุ่งร้ายหมายจองล้างจองผลาญเพราะเป็นคนมีใจดำอมหิตกิเลส ช, ชนิดนี้เป็นกิเลสที่ร้ายแรงยิ่งกว่าโทสะอาจชักนำให้เกิดทารุณจิตได้โดยปราศจากประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นฉะนั้นตัวปฏิคะนี้ เรียกว่าตัวกระทบกระทั่งแห่งใจทำให้เกิดความสั่นสะเทือนอันเป็นบอกเกิดแห่งการอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญมุ่งร้ายมุ่งล้างผลาญกันนี่ก็คือเป็นพูดง่ายๆเป็นตัวโทสะนะเป็นตัวโทส ะ, ะเรื่องโทสะนี่ก็พูดมามากไม่ดีนะเป็นตัวโทสะเป็นตัวโกรธนะอะไรมากระทบกระทั่งผิด ตาผิดหูผิดเสียงหน่อยเดียวรู้สึกว่าไม่พอใจนะพูดง่ายๆเหมือนว่าเป็นคนใจร้อนและเป็นคนใจน้อยเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่โอโทสะฉะนั้นอันนี้คนมีโทสะหรือมีปฏิฆะนี่เดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สวยด้วยนะเหมือนกับน้ำที่กำลังเดือดพลาดมันก็บเซนไปถูกใครเข้าก็ทำให้ผู้นั้นเดือดร้อนนะ ทำให้ผู้นั้นเดือดร้อนฉะนั้นจึงบอกว่าเราทุกคนถ้าหากจะมีความสุขก็ต้องเป็นคนใจเห็นนะอย่าเป็นคนใจน้อยอย่าเป็นคนมีปฏิฆะเป็นคนมีความอาโกรธเป็นเจ้าเรือนหรือเป็นคนมีความหมงุดหงิดนะอะไรอย่างนี้หรือใจน้อยอะไรอย่างงี้ต้องเป็นคนมีใจหนักแน่นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าโกทางคาตวาสุขขังเสติ คนที่ฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้มันเป็นเรื่องจริงคนโกรธนี่คือคนที่ฆ่าตัวเองฆ่าตัวเอง <c oughs> ไ, มไม่ต้องมีใครฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองแล้วคนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนมีปฏิฆะเป็นเจ้าเรือนมีความอิจฉาเป็นเจ้าเรือนพวกนี้มักจะเป็นโรคประสาทโรคหัวใจขอให้สังเกตดูเป็นโรคประสาทโรคหัวใจ ใครสมาคมใครไปคบเข้าในต้องระแวดระวังให้มากพวกนี้มือไวใจกล้าโพดและบางทีมือถึงไม่พอใจอะไรก็อาจจะตบตีหรืออาจจะฆ่าจะฟันไปเลยก็ได้อาจจะยิงไปเลยก็ได้เพราะชั่วอารมณ์วกเดียวะฉะนั้นตัวปฏิฆานี่ถือว่าเป็นตัวตัวโทสะที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งนะที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งเขาบอกว่า ไอ้เสือที่มันดุอยู่ในป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายถือว่าเป็นเจ้าป่าเนี่ยแม้จะดุร้ายขนาดไหนเราก็ยังสามารถเอาจับมาขังกรงได้หรือบางทีจับเอามาแสดงเป็นละครสัตว์ได้นี่บังคับให้มันโดดรอดบวงไฟก็ได้โดดเล่นเป็นละครสัตว์ก็ได้ แต่ว่าโทสะของคนเราอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจับไม่ได้จับไม่อยู่นี่เราจับไม่อยู่ฉะนั้นข้อนี้แหละจึงบอกว่าเราจะต้องมีสติเราจะต้องมีปัญญาค่อยๆพิจารณาค่อยๆนะกำหนดจิตใจของเราข่มใจเราไว้ปราบใจเราไว้ให้ใจของเรามันเชื่องให้มันเชื่องซะอย่าให้มันพยศถ้ามันพยศแล้วมันก็ ยังเล่นไปตามอารมณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวไอ้ตัวปริฆาตเมื่อเราปราบได้แน่นอนที่สุดเราต้องปราบด้วยขันติและเมตตา<ๆ>ก็จะทำให้จิตใจนี่อ่อนลงได้เราต้องฝึกด้วยสมาธินะฝึกสมถะฝึกวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้ก็จะอ่อนไปหรือจะหมดไปในที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญ ม, <ๆ>มาในข้อที่สาม ตัวทิฏฐินี่สามก็คือทิฏฐิได้แก่ความเห็นแต่ความเห็นในที่นี้ท่านหมายเอาความเห็นในฝ่ายข้างข้างชั่วคือข้างผิดคือความเห็นนี่ถ้าโดยทั่วไปก็คือเป็นคำกลางๆยังไม่ดียังไม่ชั่วหากว่าเป็นฝ่ายดีเราก็เพิ่มข้างหน้าเข้ามาว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ ไฟชั่วก็เพิ่มมิจฉาเข้ามาข้างหน้าแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นชั่วหรือว่าเห็นผิดเหมือนกับคําว่ากรรมเป็นคํากลางๆถ้าเป็นฝ่ายดีก็เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมเป็นฝ่ายชั่วก็เรียกว่าอกุศ ล, ลกรรมแต่ว่าพวกเราเข้าใจกันไปในเรื่องเสียหมดนะถ้ากรรมก็พูดถึงในทางที่ไม่ดีทิฏฐิก็พูดไปในทางที่ไม่ดี แต่ว่าทิศทีในที่นี้ก็เจาะจงไปเลยว่าเป็นบณฑฝ่ายข้างที่ไม่ดีนะอันความเห็นหรือว่าความคิดของคนเราจักเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยอารมณ์เข้าอุปถัมภ์นะเข้าเจือจุนเป็นทางชักนำให้คิดไปได้ต่างๆถ้าเคยสองเสพอารมณ์ที่ร้ายก็คิดร้ายถ้าเคยสองเสพอารมณ์ที่ดีก็คิดดีความคิดที่จัดว่าผิดจากคลองธรรมนั้น คือเห็นว่าคนเราจะทําดีหรือทําชั่วก็ตามแม้ทําแล้วก็ชื่อว่าไม่เป็นอันทมแม้ทําแล้วก็ชื่อว่าไม่เป็นอันทมเพราะเมื่อทําชั่วไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเห็นไม่มีคนจับได้ไม่มีคนลงโทษก็กล่าวทางนั้นต่อเมื่อมีคนจับได้และลงโทษต่างหากจึงให้โทษความเห็นดังกล่าวนี่แหละจัดเป็นทิฏฐิในที่นี้ หรือพูดง่ายๆเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดง่ายๆก็คือว่าจะใครผู้ใดก็แล้วแต่เห็นว่าทาทาชั่วไม่มีคนเห็นไม่มีคนจองจำไม่มีคนจับไปลงโทษติดคุกติดตารางหรือมรติชินนินทานก็ถือว่าไม่เป็นความชั่วนะไม่เป็นความชั่วอันนี้แหละคือพวกมิจฉาทิฏฐิ เพราะนั้นสังคมเราทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้สังคมเราจึงเละเทะนะเละเทะบอนเฟะไปหมดทุกระดับตั้งแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวเรือระดับพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้จักฐานะของตัวเองไม่ทำหน้าที่ของตัวเองต่างละเลยหน้าที่และโดยเฉพาะในข้อ เห็นผิดตัวนี้เห็นว่าเมื่อทำชั่วในที่ลับไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไม่มีคนติชินนินทาไม่ถูกจองจำแล้วก็ไม่เป็นไรนี่จะถือว่ามีโทษร้ายแรงมากหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือเห็นว่าในการทำดี อีกประเภทนึ่งก็เห็นว่าการทําดีถ้าไม่มีคนนิยมยกย่องไม่มีคนรู้คนเห็นไม่มีคนชมเชยก็ไม่ชื่อว่าไม่ชื่อว่าเป็นการทําดีนะไม่ชื่อว่าเป็นการทําดีอันนี้ก็เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิอันนี้แหละจึงให้คนเราจึงมีคําพูดว่าปิดทองหลังพระคนจึงชอบปิดทองข้างหน้าพระข้างหลังไม่ยอมปิดเพราะปิดข้างหลังกลัวจะไม่มีคนเห็น กลัวจะไม่มีคนชมกลัวจะไม่มีคนยกย่องจึงต้องมาปิดข้างหน้าข้างหน้าละไแย่งกันให้เต็มไปหมดนแต่ข้างหลังไม่ไม่ได้ปิดแต่สําหรับคนที่ชั้นคนที่ดีแล้วเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาปิดได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างข้างข้างบนข้างล่างปิดได้ทั้งนั้นถ้ามีโอกาสมีจังหวะและจะปิดที่ไหนก็ถือว่าเป็นปิดเหมือนกัน จะมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามจะมีคนชมหรือไม่มีคนชมก็ตามจะมีคนยกย่องหรือไม่มีคนยกย่องก็ตามเขาปิดได้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่ทุก์ไม่เดือดร้อนด้วยฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำอะไรถูกแล้วจะในที่รับในที่แจ้งมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นในฝ่ายดีทั้งนั้นและอีกประเภทหนึ่งก็คือว่า อ, อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธรูปจะสวยงามนั้นไม่ใช่จะปิดทองแต่ข้างหน้าจะต้องปิดทองทั่วหมดทุกที่นะทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างข้างข้างบนข้างล่างต้องทุกที่จึงจะสวยไดย้ถ้าเราคิดแต่จะปิดข้างหน้ามันก็กลายเป็นว่าเราทําเพื่ออวดดีทําเพื่อเอาหน้าไปนะไม่ดีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าอาคิดว่าการทําดีทําชั่วนั้น ไม่มีเหตุไม่มีผลว่าคนเราถึงข่าวจะดีดีเองถึงคราวจะชั่วชั่วเองนี่ถึงข่าวเคราะร้ายก็เคราะเองถึงคราวดีก็ดีเองไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปลงทุนอะไรอันนี้มันก็ผิดอ่ามันก็เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิอีกเหมือนกันอ่ามิจฉาทิฏฐิอีกเหมือนกันเพราะในทางเราพุทธศาสนานันถือว่า ความดีความชั่วนั้นมาจากเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุเมื่อหมดเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดกันไป น, นี่ในหลักพระพุทธศาสนาแต่พวกวิชาทิฏฐินี้ไม่ได้คิดอย่างนั้ น, นก็เลยถือว่าเห็นผิดแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลการทําคุณต่อกันไม่มีประโยชน์ พ่อแม่ไม่มีบุญคุณครูบาอาจารย์ไม่มีบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เ, เราทำกันก็เอสักแต่ว่าทำนะไม่ต้องมาทวงคุณทวงบุญอะไรกัน น, นี่นี่ก็พวกมิจฉาทิฏฐิอีกเหมือนกันพวกนี้เขาเปรียบว่าค้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญมีคุณฝนตกรถต้นไม้ไม่เห็นต้นไม่เห็นฝนมันได้บุญไฟป่าไหมป่าไม่เห็นไฟมันได้บาป นี่เขาคิดอย่างนั้นแล้วการฆ่ากันก็ไม่บาดเพราะไม่ได้ถูกบุคคลถูกอนุปรามานูมันขั้นอยู่ในระหว่างตัวของเราเนี่ยไม่ได้ฟันถูกตัวของเราอันนี้มันก็น่าคิดนะอธิว่าน่าคิดคือเเขาคิดเข้าท่าทำให้คนที่มีปัญญาตื้นๆอาจจะต้องคล้อยตามไปได้แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นเมื่อเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี กัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจประปาปการ์ทำดีก็ต้องได้ความดีทำชั่วก็ต้องได้ความชั่วนี่เป็นหลักในทางพระพุทธศาส น, า, นาเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิคือความเห็นในที่นี้หมายถึงความเห็นผิดที่ น, นอนเรื่องอยู่ในจิตใจ น, น, นอนเรื่องอยู่ในจิตใจเห็นว่าทำดีถ้าไม่มีคนชมไม่มีคนยกย่องก็ไม่ชื่อว่าทำดีอทำชั่วไม่มีคนเห็นไม่มีคน อติจินนิธาก็มายถึงว่าทำชั่วจะเห็นว่าการทําดีทําชั่วนั้นไม่มีเหตุเอถึงคนเราถึงข่าวดีดีเองถึงข่าวชั่วชั่วเองเห็นว่าคนเราไม่มีคุณบุญคุณต่อกันนะไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่มีเหตุไม่มีผลนี่ไปคิดอย่างนั้นอันนี้แหละเรียกว่าตัวทิฏฐิมาในข้อที่สี่คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยตัดสินใจไม่ได้ กิเลชนิดนี้มีอาการทำใจให้ชงหนวนเวียนจะทำอะไรก็ไม่ตกลงปลงใจหวนไปหวนมาประเดียวจะทาอย่างนี้อ่าประเดียวจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ทำนะไม่แน่นอนเด็ดขาดลงไปได้กิเลชนิดนี้ย่อมเป็นเครื่องกั้นทางที่จะไม่ให้การงานสาเร็จลงไปได้เรียกว่าวิจิกิจฉาอเรียกว่าวิจิกิจฉา คือคนที่มีวิจิตรฉาครอบงำเป็นเจ้าเรือนนี้มีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลามีความลังเลใจอยู่ตลอดเวลาในความลังเลใจนี่เป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนนะเป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนในความไม่แน่นอนนี่แหละทำให้เราไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตเมื่อเราไม่มั่นคงในการดาเนินชีวิตมีจิตใจ อาสันคลอนมีความวิตกมีความกังวลตัดสินใจไม่ได้ก็ทำให้เรานั้นไม่ประสบความสุขในการดำเนินชีวิตฉะนั้นเราจะกำจัดในข้อนี้ได้เราก็ต้องทำจิตใจให้มั่นคงนะทาจิตใจให้มั่นคงหรืออาจจะต้องเจริญอาณาปาณสติ หรือว่าโยนิโสมานสิการทำใจไว้โดยอุบายอันแยบคายในกิจที่ทำคำทีพูดทุกเสียงทุกอย่างให้เกิดสติเกิดปัญญามาในข้อที่ห้ามานะได้แก่ความถือตัวหรือเชิดตัวมีความกระหิมยิ้มย่องจองหองพองขนอยู่ในใจอัทยาสาัยเช่นนี้ให้โทษคือเป็นเครื่อง ป้องกันความดีที่จะเชื่อฟังถ้อยคําผู้อื่นย่อมเป็นทางนําให้ผู้อื่นเขารังเกียจในกิริยาอาการในมานะนี่บางอย่างก็ไปในทางที่ดีคือมันพ้องรูปพ้องเสียงแต่ว่ามีความหมายแตกต่างกันเขียนเหมือนกันมานะอีกหนึ่งก็คือหมายถึงว่ามานะตัวความพยายาม ความขยันความบากบัน่นเอางานเอาการแต่ว่ามานะอีกตัวหนึ่งอีกในที่นี้นั่นหมายถึงว่าไอ้นี่หมายถึงการถือตัวถือดีอวดดีตัวถือดีอวดดีว่าข้าก่อนแน่เขาจะมีอะไรเรารู้ดีกว่าเขาเราสูงกว่าเขาเรารวยกว่าเขาเรามีปัญญามากกว่าเขาตะกูลเราสูงกว่านี่ เมื่อเราคิดว่าเราเหนือกว่าผู้อื่นอยู่เรื่อยแน่นอนที่สุดเราก็ย่อมจะไปดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นติชินนินทาผู้อื่นว่าคนอื่นต่ากว่าเราเลวกว่าเราทำให้ผู้อื่นเขารังเกียจอ่ารังเกียจแลวเมื่อผู้อื่นเขารังเกียจแล้วเราก็เลยไม่มีความรู้ใครเขาอยากใครเขาก็ไม่อยากมาคบค้าสมาคมมีดีเขาก็ไม่อยากจะมาบอกมากล่าวมาให้เพราะเราเป็นคนอวดดี ก็เลยทําให้เราตัดประโยชน์แห่งความดีทั้งหมดตัดประโยชน์แห่งความดีทั้งหมดฉะนั้นในทางพุทธศาสนานั้นให้เขาให้เราทั้งทอมตนท่อมต น, ม, ตนมีความรู้ก็ท่อมตนรู้มากก็ทําทเป็นรู้น้อย <c oughs> รู้น้อยก็ทําทเป็นไม่รู้นะ <c oughs> อย่างนี้เป็นลักษณะของนักปราชญานักปราชญานั้นจะต้องมีความอ่อนน้อมท่อมตน <c oughs> เหมือนกับผลไม้ต้นไหนที่มันมีลูกดอกกิ่งมันก็จะอ่อนลูก มเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวที่มีมเมล็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากมันก็จะอ่อนลู่รวงมันก็จะอ่อนลงมาแต่ถ้าหากว่ามเมล็ดข้าวไม่มีมเมล็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็รีบมันก็จะตั้งตรงเหมือนกับคนที่อวดดีมีมานะถือตัวท่านในทางพุทธศาสนาท่านยังบอกว่าให้เราทุกคนนั้นถ่อมตัวทําตัวเองเหมือนกับโคเขาหักเหมือนกับงูที่ถูกถอดเขี้ยวพิษแล้วเหมือน ให้ทำตัวเองเหมือนกับผ้าเช็ดเท้านี่คือทำตัวให้ต่ำอ่าแล้วก็มีประโยชน์มากทะเลอยู่ต่ำน้าจึงมากคนเราทำตัวให้ต่ำนั่นแหละคือคนมีความรู้มากนะ <c oughs> มาในข้อที่หกก็คือภาวะราคะด้แก่ความกำหนัดในภพติดในภพหรือความอยากเป็นอยู่ในภพเช่นเมื่อมีข้าวของเงินทองอันเป็นส่วนวัสดุกรรมหรือหมายถึงว่า วัตถุกรรมแล้วก็กำหนัดรักใคร่กำหนัดรักใคร่พอใจติดใจอยู่ในวัตถุนั้นไม่อยากให้วัตถุเหล่านั้นต้องอันตรธานเสื่อมสูญไปหรือเช่นเมื่อเกิดอยู่ในภพใดแล้วได้รับความสุขอันเจือไปด้วยกิเลสย่อมติดใจอยู่ในภพนั้นไม่อยากพรากไปจากภพนั้นเรียกว่าภาวราะรักติดภพติดชาต์พูดง่าย นะติดพบติดชาติการที่เราติดพบติดชาติอย่างนี้มันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความร้อนรุ่มกรุ้มใจนะมีวัตถุมีของใช้อะไรมีเครื่องสุขภัณฑ์อะไรก็รู้สึกว่าอํานวยความสะดวกแก่เราทั้งนั้นไม่อยากให้มันหายจากเราไม่อยากจะให้ใคร ไม่อยากให้มันจากเราไปเราก็ไม่จากมันไปเกิดความอนะันไลอวอนคนที่สะสมของเก่าๆไว้มากนะสะสมเรื่องไร้คามหรือพระรูปราคาแพงๆหรือของอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไปไหนไม่ค่อยได้ติดนะติดอยู่ในวัสดุนี่ก็เป็นภาวะราคะอย่างหนึ่งติดนะเป็นห่วง นอนก็คอยเราแวดระวังเสียงอะไรกรกกรัแกแมวขับนูหน่อยเดียวก่อนนึกว่าคนจะเข้ามาตัดช่องย่องเบาหรือบางครั้งก็อยู่ในที่สะดวกสบายนมีตึกรามีมแอร์มีติดอะไรก็แหมรู้สึกก็ไม่อยากจะจากที่นั้นไปไปอยู่ที่ไหนไม่ได้อย่างนี้ก็บ่นลำคาญนอยู่ไม่ได้นี่เรียกคนติดในภพในชาติคนประเภทนี้จึงไม่ค่อยรู้อรู้ธรรมไม่รู้อสภาวะธรรมตามความเป็นจริง ขนาพระพุทธองค์เป็นรูปของมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่มีความสุขสบายทุกประการมีประสาทสามฤดูอให้พักผ่อนหย่อนใจตามสบายพระพุทธองค์ก็ยังต้องเสียสละแล้วดูสิพระพุทธองค์ประสูติก็ประสูติในดงในป่านกลางดงกลางป่าทุ่งไร่ทุ่งนาตรัสรูก็ตรัสรูที่โคนต้นไม้พูดง่ายๆก็คือในดงในป่ากลางเดินกลางทราย ผริตภัณฑ์ก็ปริตภัณฑ์ในป่านะภายในดงไม้อีกเหมือนกันเนี่ยเพราะพระองค์ครุกคีอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่ประสูตรจนกระทั่งอปลิตภัณฑ์จึงได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวะความเป็นจริงแต่พวกเราไม่ได้อคุกคีอยู่กับธรรมชาติเราทําลายธรรมชาติกันทุกวันนี้นะเราอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมะเราก็เลยไม่มีธรรมะติดเนื้อติดตัวติดใจอ่ ข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญบางทีเราไปเกิดกันโน้นอา่าตึกห้าชั้นแปดชั้นโรงพยาบาลชั้นโน้นชั้นนี้กันมีแอร์อา่าอย่างงั้นอย่างนี้นีนน่เกิดสุดดีเกินไปเกิดสูงแต่ว่าลงมาเรียนต่าๆนะลงมาเรียนต่าๆแล้วแถมไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเสียอีกด้วยนี่แหละมันจึงเรียกว่าจึงติดติดพกติดชาติกันมากนะนี่เรียกวเป็นภวะราคะ มาในข้อที่เจ็คืออวิชชาด้แก่ความง่เข่าเบาปัญญาไม่รู้แจ้งเห็นจริงกล่าวโดยความก็ได้แก่โมหะความมืดมนอนตรการซึ่งบังเกิดในสันดานอ่อาอมนุษย์ปุถุชนย่อมปิดบังไม่ให้ยังรู้ยังเห็นอัดเห็นธรรมความงมงายเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าอาวิชชา อวิชชานี่หมายถึงว่าเป็นตัวโมหะอย่างแรงกล้าคือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมไม่รู้เหตุแห่งความเจริญไม่รู้ผลแห่งความเสื่อมไม่รู้ผลแห่งความเจริญไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุแห่งความทุกขไม่รู้ความดับทุกไม่รู้เหตุให้ถึงความดับทุกนี่คือตัวอวิชชา แต่ถ้ามีวิชาเสร็จแล้วมันก็แจ้งรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์นี่มันก็ตรงกันข้ามฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยเจ็ดที่ได้บรรยายมานี่ก็เป็นเพียงแนวทางนะเป็นเพียงแนวทางที่ น, นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอาจจะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้แต่ในใน อนุสัยเจ็อย่างที่ได้กล่าวมาอันนี้หมายถึงเป็นกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจติดอยู่ในสันดานไม่ดีหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสังโยชน์เครื่องร้อยรัดจิตใจของคนเราทําให้ลุ่มหลงนะทําให้เราต้องติดอันนี้เป็นไปในทางที่ไม่ดีนะแต่บางครั้งเราดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในจิตในใจของเราต่อเมื่อมี อ, ม อ, ม อ, ม อ, มอารมณ์มากระทบกระทั่งขึ้นแล้วมันก็เกิดฟุ้งขึ้น Αι, เกิดฟุ้งขึ้นได้ αι, มันอยู่ลึกเรียกว่าอยู่จนเรียกว่าอนุสัสถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขอประธานทษสันดานเพราะงั้นเถอะสันดานฉะนั้นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอนุสัยกับสัโยอดต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรจะละได้โดยสิ้นเชิงจะต้องบำเพ็ญทำอะไรอันนี้เราก็แก้ ว, ว่าประเภทะเนื้อความแห่ง ประเภทเหมือนกันหมดต่างแต่ชื่อเท่านั้นที่เรียกว่าอนุสัยเพราะเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานที่เรียกว่าสังโยชน์เพราะเป็นเครื่องผูกสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏจัต่อเมื่ออบรมอริยมรตมีองค์แปดเป็นมรคสมังงคีโดยการเจริญสมสถาวิปัสสนาให้ถูกวิธีอย่างบริบูรณ์แล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยลําดับ จนพระอรหัตตมัคคยานเกิดขึ้นจึงจะละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ้นพบสิ้นชาติหรือจะาถามว่ากามราคาราะภวาราคะทั้งสองนี้เพ่งอัทรสต่างกันหรืออย่างไรจึงจัดเป็นอนุสัยแต่และอย่างละอย่างเราก็แก้ว่าเพ่งอัทรสต่างกันกามราคะหมายความว่ากำหนัดในวัตถุกามมีรูปเสียงเป็นต้น ซึ่งเป็นกิเลสส่วนหยาบกว่าภวะราคะทั้งสองเนื้อความไปถึงการมาตัญหาด้วยส่วนภาวะราคะนั้นหมายหมายเอาความกำหนัดในในพบหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ทั้งสองความไปถึงภาวะตัญหาด้วยแต่ถ้าเพ่งถึงอาการตามนอนเนื่องของกิเลสเหล่านั้นก็เหมือนกันคือนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจในขันธสันดานเหมือนกันหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่า ผู้ที่มีการมาราคะและปฏิฆะเป็นเจ้าเรือนควรเจริญทำข้อไหนและเมื่อมีความประสงค์จะตัดให้ขาดมีอะไรเป็นเครื่องตัดจงระบุชื่อนั้นมาด้วยอันนี้เราก็แก้ว่าผู้ที่มีการมาราคะเป็นเจ้าเรือนต้องเจริญอสุภสัญญาและกระสินสิิประการอย่างใดอย่างหนึ่งผู้มีปฏิฆะเป็นเจ้าเรือนต้องเจริญภมิหารสีหรือหรือคันติเมตตา มีอาริยมรรคยานเป็นเครื่องตัดคือตัดด้วยอนาคามีมรรคหรือถ้าจะถามว่าจงย่นอนุสัยเจ็ดประการลงในอกุศลมูลสามาดูเราก็ย่นได้ดังนี้การมราคะทิฏฐิมนะรณะภวะราคะทั้งสี่นี้ย่นลงในโลภะมลจิตหรือโลภะมละโลภปิตะย่นลงในโทสะอวิจิกิจฉาอวิชาย่นลงในโมหะ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 คือธรรมะก็ดีพรามก็ดีบางคนปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีจริงๆหาได้เศษเมถุนกับด้วยมาตุคามไม่เลยแต่ยังยินดีปลื้มใจชื่นใจด้วยเมถุนสังโยคคืออาการแห่งเมถุนเจ็ดอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเมถุนนสังโย หมายถึงว่าการประกอบการประกอบในลักษณ ะ, อะของความยินดีในในการมาคุณนะหรือว่าด้วยเมธุนพูดง่ายๆด้วยเมธุนธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติคู่กันแบ่งออกเป็นเจ็ดอย่างคือหนึ่งยินดีรูปไล่การประคบการให้อาบน้ำ การนวดแห่งมาตุคามเลื่มใจด้วยการบำรุงบำเลนั้นนั้นนี่ก็เป็นเมถุนสังโยคคือหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการซ่องเสพนะ่องเสพกับมาตุคามหรือพูดง่ายๆว่าวกับผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรายังมีความยินดีความพอใจ ในการลูบไล้ในการประครบในการสัมผัสในการให้อาบน้ำในการนวดใ น, ในการนวดแม้ที่สดเพียงแต่ปลื้มใจในการบำรุงบำเรอทุกสิ่งทุกอย่างอ น, นั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเมถุนัสังยุในข้อสองไม่ถึงอย่างนั้นแต่เป็นเพียงกรซิกะซิเล่นหัวสัพพย่อ ก, กับมาตุคาม ปลื้มใจด้วยการสวนเสห์หานั้นๆโูดหยอกยเย้าหลอกล้อเล่นกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมถุนสังโยคคือยังมีความพอใจยังมีความพอใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมถุนสังโยคอีกเหมือนกันข้อสามถึงไม่ถึงอย่างนั้นแต่เพ่งดูจ้องดอูด้วยจักษุ พ เ, เพ่งดูจักสุแห่งมาตุคามหรือผู้หญิงด้วยจักสุของต น, นปลื้มใจด้วยการ เ, เห็งนห้ น, นเรียกว่ามองตากั น, นตาต่อตาแล้วจ้องมองประสานเหมอนกันเถอ ะ, ะเรียกว่าความรักในบางครั้งมันก็เป็นบอกเกิดที่ตาได้มองตากันก็รู้ยักคิ้วริ้วตากั น, นอันนี้เจีอมองเห็นรูป สร้างแล้วก็เกิดความพออกผ่อนใจนี่ก็เป็นเมถุนสังโยคพอซีถึงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ฟังเสียงแห่งมาตุคามหวเระอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีครับร้องอยู่ก็ดีร้องให้อยู่ก็ดีอยู่ข้างนอกฝาก็ดีอยู่นอกกำแพงก็ดีปลื้มใจด้วยเสียงนั้นก็เป็นเมถุนสังโยนะก็เป็นเมถุนสังโ โูษง่ายๆก็คือว่ายังยินดียังพอใจอยู่นะยังยินดียังพอใจอยู่ข้อห้าถึงไม่ถึงอย่างนั้นแต่ตามนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่ได้เคยหัวเราะเล่นกับผู้หญิงหรือมาตุคามทั่วๆไปแล้วเกิดความปลื้มใจนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆในอดีตอ่า พอใจหลงไหลไปฝันอันนี้ก็เป็นเมถุนสังโยกอีกเหมือนกันนะเป็นเมถุนสังโยกมาในข้อที่หกแม้ไม่ถึงอย่างนั้นแต่เห็นคระหาบดีก็ดีบุตรของกระหาบดีก็ดีผู้เอิบอิ่มพร้อมสะพรั่งน้่ยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่แล้วก็ปลื้มใจดีใจนี่ก็เป็นกามสังโยก การมาสั่งโยกหรือเมถุนสั่งโยกคือยังพอใจในการบำรุงบำเลอของคราบดีหรือว่าบุตรของขราบดีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ข้อเจ็ดไม่ถึงอย่างนั้นแต่ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งปรารถนาเพื่อได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ร่้ใจน่คือหมายความว่า ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งป่าตระนาเพื่อจะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ปลื้มใจขนาดนี้ก็ยังเป็นเมถุนสังโยนะพรหมจรรย์ของสมณะหรือพราหมณ์นั้นได้ชื่อว่าขาดทะลุต่างด่างพร้อยชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ย่อมเป็นผู้ไม่ร่วงพ้นไปจากกองทุกข์ได้นะจากกองทุกไน้นี่เราจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตของ อสมณะหรือของพรามก็ดีที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมถุนสังโยคทางนั้ น, นเรียกว่าถ้าจะจี้กันเป็นตัวตัวแล้วก็เป็นององแล้วก็ไม่ค่อยผิดแต่ว่าใครจะมากจะน้อยใครจะมากจะน้อยอันนี้เป็นแม้แต่ผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติในฝ่ายวิปัสสนาธุรก็เช่นเดียวกัน นี่เราพูดกันตามแบบตามละ่ะถ้าว่ากันตามนี้เราก็ไม่พลาดเพราะรู้สึกว่าท่านพูดไว้ละเอียดมากะละเอียดมากแม้แม้แต่เพียงว่าเราไม่เสร็จนะไม่เสร็ไม่ประพฤติอย่างที่พวเมียเขาก็ทากันเพียงแต่ว่ายินดีในการลูบไล้ประคบประงมการให้อาบน้ำการนวดฟันกันอย่างนี้ก็ถือว่า เรือปลื้มใจในการบำรุงบำเพ็ญนั้นอย่างนี้ก็เป็นเมถุนสังโยคเหมือนกับการเศษเมตุเหมือนกันพูดง่ายๆไม่ถึงอย่างนั้นกษัตริยีเล่นหัวกันสัพปปยอกกับผู้หญิงเลื่มใจในการสนเตะหานี่ก็เป็นไม่ถึงขั้นนั้นเพ่งรูจ้องรูตากันอ่าแล้วก็เกิดความพอใจปลื้มใจอย่างนี้ก็เป็นเมถุนสังโยคถึงไม่ถึงอย่างนั้นฟังแต่เสียงมาตุ ค, คามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีครับร้องอยู่ก็ดีร้องให้ก็ดี อยู่ข้างนอกฟ้าข้างในฟ้านอกกำแพงในกำแพงจะอยู่ที่ไหนด้วยความปลื้มใจนี่ก็เป็นเมถุนสัสสังโยเมถุนสังโยหรือไม่ถึงขั้นนั้นก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่ได้เคยเล่นกันมาที่ได้เคยหัวรเราะอกันมาเคยปลื้มรู้สึกปลื้มใจเคยพูดหยอกย่อเราเล่นกันนะถึงเหตุเก่าๆในอดีตนี่ก็เป็นเมถุนสสังโยถึงไม่ถึงอย่างนั้นเห็นพวกคาราบดี หรือบทท้องหาวันดีผู้มีความอบอิ่มร้อมทั้งวิธีกรรมาคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสน้ำผัดทุกเสียงทุกอย่างหรือมั่งมีทรัพย์สินเงินทองก็ปลื้มใจนะอย่างนี้ก็เป็นเมถุนสสังโยะแม้ที่สุดแม้ตนเองจะประพฤติสมอาจารย์ตราถนาเพื่อจะได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ปลื้มใจในที่ตนจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเมถุนสสังโยะแล้วท่านยังบอกว่าการที่เรานึกคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้ ได้ชื่อว่าขาดหรือทะลุด่างพร้อยชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ย่อมเป็นผู้ไม่ร่วงพ้นไปจากกองทุกข์ได้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าใครชื่อว่าสมณนะใครชื่อว่าพราหมณ์และที่ชื่อว่าพระมารีเป็นอย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าผู้สงบระ ง, งับอำนาจผู้สงบระ ง, งับ ด้วยอำนาจวิเวกสามอย่างชื่อว่าสมณะหมายถึงว่ากายวิเวกสงัดกายจิตวิเวกสงังขตจิตอุปถิวิเวกสังัดจากกิเลสเรียกว่าสมณะโดยตรงได้แก่นักบุตรผู้เป็นเหล่ากอแห่งพรหมชื่อว่าพรามได้แก่ชนพวกหนึ่งครั้งโบราณมีมณนะถือพวกถือเหล่าว่าเป็นชนจำพวกสูงเป็นพวกบริสุทธิ์ผู้ดำเนินในข้อปฏิบัติ บางอย่างเช่นบําเพ็ญตํบ ะ, ะเป็นต้นเข้าใจว่าเป็นทางไปสู่พรหมโลกที่เป็นโลกไม่เกี่ยวด้วยกามชื่อว่าพรหมจารีบุคคลหรือจะมีคำถามว่าผู้ยังยินดีปลื้มใจชื่นใจในเมธุนสังโยคจัดว่าเป็นพรหม จ, จัดว่าเป็นพรหมจารีบุคคลได้ไหมเพราะเหตุไรจึงได้ตอบอย่างนั้น อันนี้เราก็แก้ว่าได้เหมือนกันแต่พรห ม, มจรรย์ของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์ยังชื่อว่าขาดทะลุหรือด่างพร้อยอยู่ที่ตอบอย่างนี้ก็เพราะเป็นแต่เพียงยินดีตามอาการแห่งองค์เมถุนเท่านั้นไม่ถึงกับครุกครีด้วยเมถุนทีเดียวต่อเมื่อได้สำเร็จเมถุนจึงไม่เป็นพรหมจารีบุคคล หรือถ้าจะมีคำถามว่าธรรมดามนุษย์ปุถุชนเราเมื่อทำอะไรลงไปก็ย่อมมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจึงลงมือทำอย่างนั้นก็ในเมถุนสังโยคข้อที่เจ็ดนั้นฉนัยท่านจึงห้ามการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งข้อนี้มีความหมายอย่างไรการที่ท่านห้ามในเมถุนสังโยคข้อเจ็ดนั้น เพราะการเป็นเทพเจ้าจะเป็นสมมุติเทพหรืออุปติเทพก็าตามหรือว่แต่เป็นจำพวกที่บำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์อย่างใหญ่ยิ่งและย่อมเวียนว่ายอยู่ในภพด้วยอำนาจแห่งกรรมนั้นไม่เป็นหนทางให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้และยังซ้ำจะทวีกองทุกข์ให้มากขึ้นเสียอีกฉะนั้นแมถุนสังโย ข้อที่เจ็ดจึงมีความหมายดังที่ได้กล่าวมานี้เนี่ก็จะเห็นว่าพูดถึงเรื่องเมถุนสังโยกแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเป็นเรื่องยากฉะนั้นการที่เราจะหลุดพ้นในทางเมถุนสังโยกได้เราจะต้องสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ เ, เป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่า น, นั้นจะเพราะคามวาสีนะที่อยู่พุกตีกับชาวบ้าน ก็เป็นการหลีกยากนะหลีกยากอ่แม้แต่จะอยู่ป่าอารัญญวาสีก็ก็นับว่าดีขึ้นมากนะก็ดีขึ้นแต่ก็หลังหลีกยากอีกเหมือนกันเพราะคนเราทุกวันนี้ก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็มักจะไปคลุกคีกันอยู่อเมื่อพูดถึงเมตุนสังโยกเจ็ดก็คนเป็นเพียงแนวทางย่อๆก็จะได้พูดในเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง วิญญาณอทิติเจ็ดวิญญาณทิติเจ็ดจะเรียกว่าวิญญาณทิติเจ็ดก็ได้หรือจะเรียกว่าวิญญาณนัททิติเจ็ดก็คือว่าการอที่ตั้งของวิญญาณหนึ่งสัตว์เราหนึ่งมีกายต่างกั น, นมีกายต่างกันมีสัญญานะ มีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางหมู่พวกวินิปาติกะในพวกเปรตบางหมู่นี่อย่างนี้เรียกว่ามีกายต่างกันมีสัญญาคือความจําต่างกันอมนุษย์กับพวกเทพนี่ก็มีต่างกันกับพวกเปรตนี่ก็ต่างกันนี่เราเห็นได้ชัดแล้วเราเห็นได้ชัดสอง สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกั น, นเช่นพวกเทพผู้อยู่ในจําพวกพรหมผู้เกิดในภูมิปถมชาญเรียกว่ากายต่างกันแต่มีความจําได้หมายรู้อย่างเดียวกันสาสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกอาพัสรพรหม นะอาพัสระพรมสี 4. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกอาเทพชั้นอาสุภกินหพรมนะในรูปประพรมหน่งในรูปประพรมทิบหกนะนี่เรียวกว่ามีกายอย่างเดียวกันแล้วก็มีสัญญาความจําได้ไม่รู้อย่างเดียวกันข้อห้าสัตว์เ่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจยตนะ หมายถึงว่า เ, าเรียกว่าพิจารณาอากาศหาที่สุดมีได้สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณจันจายยนะเข้าถึงว่าวิญญาณหาที่สุดมีได้สัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงเจ็ดสัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นอากินจันยานะก็หมายถึงว่านิดหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนิดหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนี่อันนี้ ก็หมายความว่าในวิญญาณในวิญญาณทิติหมายความว่าภูมิหรือที่ตั้งแห่งวิญญาณคือความรู้สึกรู้อารมณ์ในที่นี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนื้อความแจมอยู่แล้วเนีแจมชัดส่วนก็อห้าข้อหกข้อเจ็ดนั้นจอธิบายรวมกันว่าได้แก่ชั้นแห่งจิตและเจียตสิษ์ของท่านผู้ได้อรูปฌานนะผู้ได้อารุปฌาน ล่วงรูปหมายถึงว่าล่วงรูปประธรรมเสียได้ปรารบอรู ป, ปรธรรมคืออากาศคืออากาศวิญญาณและความไม่มีอะไรเหลืออยู่เหล่านี้เป็นอารมณ์อารู ป, ปรธรรมเหล่านี้เป็นของละเอียดเป็นวิสัยของท่านผู้ได้อรูปฌานเป็นโลกิยธรรมอย่างสูงแต่ไม่ถึงขั้นโลกุตรธรรมไม่ถึงขั้นโลกุตรธรรม นี่เป็นเรื่องของอเรียกว่าเป็นเรื่องของวิญญาณทิตินะเป็นเรื่องของอภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณทีนี้ถ้าหากว่าเราจะตั้งเป็นปัญหาถามว่าคำว่าภูมิหรือว่ า, าที่ตั้งแห่งวิญญาณนี้โดยตรงได้แก่อะไรฉะนั้นจึงเรียกว่าภูมินะอธิบาย อันนี้เราก็บอกว่าโดยตรงก็ได้แก่สัตว์เจ็ดจำพวกนั่นเองสัตว์เหล่านี้จึงเรียกว่าวิญญาณทิตินวิญญาณทิตินั้นเพราะเป็นสัตว์ที่มีสัญญาเวทนาเป็นผู้ปรุงใจอยู่คําว่าใจหรือจิตหรือวิญญาณหมายเอาปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณย่อมสิงอยู่ในสัตว์เหล่าใดสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าภูมิเป็นที่อาศัยของวิญญาณ หรือจะมีปัญหาถามว่าวิญญาณทิติพระองค์ทรงแสดงด้วยเทศนาอะไรถ้าจะแสดงด้วยเทศนาอย่างอื่นบ้างจะได้ไหมเพราะเหตุอะไรเราก็แก้ว่าพระองค์ทรงแสดงด้วยปุคราทิฏฐา น, นทรงแสดงด้วยปุคราธิฏฐานจะแสดงด้วยเทสนายัางอื่นไม่ได้เพราะขัดข้องอาต่อความเป็นจริง คือหมายความว่าถ้าแสดงอย่างอื่นแล้วก็มันไม่ตรงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะก็หรือจะมีปัญหาถามว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นอาพัสระพรมหรือสุภ ะ, ะกินหะพรมจะต้องอบรมให้ตั้งอยู่ในโพงชั้นเพียงชั้นไหนอันนี้เราก็แก้ว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นอาพัสระพรมต้องอบรม ทุติยชาญอย่างละเอียดให้เกิดมีขึ้ น, นให้เกิดมีขึ้นส่วนผู้ที่จะไปเกิดในสุพินหาพรมนั้นต้องอบรมตติยชาญอย่างละเอียดให้เกิดมีขึ้นเสียก่อ น, นเมื่อเราอบรมอบรมอตาติยชาญอย่างละเอียดแล้วแน่นอนที่สุดก็เราก็จะไปเกิดอยู่ในชั้นสุภักกินหาพรมนั้นได้ น, นี่ก็เป็นเรื่องของอวิญญาณทิฏฐิ ทีนี้ก็จะมาสรุปนะจะมาสรุปโดยย่อๆอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอวิญญาทิสติก็คือภูมินะได้แก่ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณหรือว่าความรู้สึกทางอารมณ์นะความรู้สึกทางอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากถ้าหากอันนี้เป็นเป็นขั้นปฏิบัตินะเป็นขั้นปฏิบัติ ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแน่นอนที่สุดเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแจม่มแจ้งเข้าใจชัดได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาหรือไมไ่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ย่อมจะไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นธรรมะในขั้นปฏิบัตินี้บางครั้งก็รู้ได้เฉพาะตัวเองนะผู้ไม่ปฏิบัติก็ย่อมจะไม่รู้นะผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะไม่รู้ฉะนั้นเราลองมาคิดดูสิว่า คนเราที่เกิดมานี้ต่างก็ปรารถนาความสุขด้วยกันทางนั้นเนีความสุขด้วยกันทางนั้นแต่สิ่งที่เราจะได้ความสุขนั้นรู้สึกว่าน้อยเหลือเกินมันมีความทุกข์มากกว่ามีความทุกข์มากกว่าและที่คนเราต้องเกิดมาแล้วก็ยังแตกต่างกันไปนแตกต่างกันไปบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังแตกกันไปนะบางคนก็ไปเกิดในอบายภูมิน่ะเป็นเปรตเป็น เ, เปรตพวกตัดนรกบ้าง บางคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบางคนก็ไปเกิดเป็นพรหมบางคนก็เป็นพระอาหันต์ตรง น, นี้ก็มีวิญ ญ, ญาณด้วยกันทั้งนั้นมีวิญญาณแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีการแตกต่างกันในบางอย่างก็มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างพวกมนุษย์กับพวกเทวดาเนี่ยอย่างนี้ก็มีร่างกายก็ต่างกันมีความจำแนกต่างกันเพราะว่า พวกเทวดานะั้นมีกายทิพยนะ์กายทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรหมดเลยอาหารก็ทิพย์หมด น, ะนี่อันนี้มันก็ต่างกันเห็นได้ชัดเลยวและยิ่งไปพวกเปรตนะพวกเปรตก็ยิ่งต่างกันไปยกใหญ่นะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกสัตว์นรกนก็ต่างกันไปพวกเปรตนี้ก็ไม่มีอาหารกินอีกด้วยนะมีแต่พวกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่แตกจากแผลฝีแล้วก็ ดื่มกินกันปานังหนึ่งอมฤตน้ำอมฤตนะต้องคอยรับส่วนบุญที่เขา อ, อุทิศไปให้เท่านั้นนะจึงจะได้กินได้นี่นี่เขาเรียกว่าต่างกันแม้นะหรือบางพวกก็มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันนะีอันนี้ต่างแต่กายแต่ว่ามีสัญญาคือความจำได้ความจาได้หมายมรู้อย่างเดียวกันก็เช่นวะ่าพวกเทพผู้อยู่ในจาพวกพรหมในภูมิของปฐมฌานเรียกว่าพวก เทวดาผู้อยู่ในจำพวกลูปตะรมผู้เกิดในปฐมฌานอย่างนี้เรียกว่าร่างกายก็อาจจะต่างกันไปแต่ว่ามีความจําได้หมายรู้เหมือนกันหรือบางพวกก็มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเนี่ยมันกลับกันมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันบางอย่างมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันในส่วนที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันก็เช่นพวก ในพวกรูปประคมสิบหกนะพวกรูปประคมสิบหกเช่นพวกอาภัสรพรม์นี่นะอาพัสระพรมหรือบางพวกมีกายกายเหมือนกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันอีกด้วยออันนี้ก็หมายถึงรูปประคมในชั้นสุภัสตินทะนะสุภัสตินทะแล้วก็มาจัดจําพวกผู้ได้อรูปฌานนะได้อรูปฌาน เรื่องอรูปฌานก็มีตั้งแต่อากาสานัญญายุนนะวิญญาณัญจายุนนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญาณนะสัญญายตนะะนี่เป็นเรื่องของอรูปฌานนะเพราะนั้นเรื่องของอรูปฌานนี้ก็ถือว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมนะจนได้เรียกว่าปัทโธมัจฌ า, านทุติยฌ า, านตติยฌานเจตุทะฌานนะเมื่อเราได้พวกนี้แล้วก็เราก็จะได้อรูปฌานนะเรียกว่าจะได้อรูปฌาน ฉะนั้นในอรูปปัจจานีก็ได้แก่เป็นเป็นชั้นแห่งจิตใจหรือว่าเป็นเจตสิกเจตสิกนี่หมายถึงว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดคู่กับจิตใจนะเกิดคู่กับจิตใจพวกง่ายๆเหมือนกับตัวเรากับเงาของเราไอ้ตัวเรานะเหมือนกับจิตไอ้เงานี่เหมือนกับเจตสิกนะเหมือนกับเจตสิกเจตสิกนี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตใจของเราได้นึกได้คิดนะในทางดีทางชั่วหรือวางเฉยได้ ที่เราคิดเป็นบุญเป็นกุศลทําบุญทํากุศลทุกสิ่งทุกอย่างในเตเตัสิกปรุงแต่งทั้งปรุงแต่งให้เราคิดทั้งนะั้นเราจะพูดเราจะคิดจะทําอะไรในเตตัสสิกปรุงแต่งให้ใหพูดให้คิดทั้งนะั้นอตัวเตตสสิกฉะนั้นอันนี้แหละบอบรรู่ในขั้นของอรูปฌานมาอารูปฌานเราจะได้ก็กหมายถึงต้องล่วงรูปรามเสียก่อนต้องได้รูปฌานเสียก่อนจึงไปถึงอรูปฌานก็จนล่วงรูปธรรมเสียได้ดรรรสตร์อรูปธรรม คืออากาศและวิญญาณปารลบคืออากาศหาบรรจ้านะว่าอากาศหาที่สุดมีได้วิญญาณบรรจานะวิญญาณหาที่สุดมีได้ออากินจัญญาโยชนะเนี่ยคือนิดนิดหน่อยจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นิดหน่อยก็ไม่เหลืออยู่เะเราเนี้เอาสิ่งเอาอากาศกับวิญญาณและความไม่มีอะไรเหลืออยู่เนี่ยเป็นอารมณ์เอาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอารมณ์ เมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ก็ถือว่าเป็นขั้นละเอียดนะเป็นขั้นละเอียดนะเรียกว่าใกล้ใกล้ที่จะถึงวิสัยของของพระอาหารหันต์เข้าไปได้วนะใกล้เข้าไปแล้วอนะแต่ทั้งนั้นก็อารมูปฌานนี้ก็ยังเป็นโลกียธรรมนะแต่ว่าเป็นโลกีธรรมอย่างสูงนะใกล้จะถึงโลกุตรธรรมนะใกล้เข้าไปแล้วทา่ามพวกนี้ยังเสื่อมได้นะยังเสื่อมได้อนะฉะนั้น เมื่อเราได้ศึกษาในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องเจตสิกในขั้นสูงแล้วด้วยการจเจริญสมาธิจเจริญสมถ ะ, ะเจริญวิปัสสนาแน่นอนที่สุดจะทําให้จิตของเรานี่ละเอียดสุขุมประนีดเมื่อจิตของเราละเอียดสุขุมประณีดจิตของเราก็ควรแก่การงานเราจะนึกคิดอะไรจะทําอะไรกิจที่ทําคําที่พูดก็จะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้น ขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมากๆการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมากๆจะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ดํารงพระศาสนาหรือว่าเป็นทายาทของพระศาสนาอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้อย่างเดียวไม่ประพฤติปฏิบัติ อ, อย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเราจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาได้อย่างทองแท้และาศาสนาจะสถิตสถาพรสืบต่อไปได้นั้นก็ด้วยการปฏิบัติ ด้วยการปฏิบัติพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้กับภาษาวกว่าแม้ว่าบรรดาพุทธบริษัทจะพากันมาบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ทูกเทียนกองเป็นหัวเขาสูงเท่าภูเขาเลากาก็ไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัท ทั้งสีพ่พิสุพิสุนีบาสกวริกาพากันปฏิบัติธรรมหรือบูชาเราด้วยการปฏิบัติบูชานั่นแหละได้ชื่อว่าบูชาพระตถาคตอย่างแท้จริงและศาสนาก็จะสถิตสถาพรสืบต่อไปได้ชั่วการนานเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเมถุนสังโยค เ, เมตุนสสังโยคเจ็ดก็ดีนะวิญญาณ